ยาซีเรียสเรื่องไม่อยากเล่นน้ำ <S <S <S หมอจะใช้วิธีการประเมินคนไข้ทุกสัปดาห์ดูว่าใครอาการดีขึ้น หรือใกล้หายแล้วก็จะให้กลับไปรักษาต่อที่บ้านได้เอายาไปกินตามที่หมอสั่งเพื่อลดจำนวนคนไข้ในโรงพยาบาลลงวันนี้ก็เป็นการประเมินผลคนไข้ประจำสัปดาห์คุณหมอเรียกคนไข้มายืนรวมกันที่สนามหญ้าหน้าโรงพยาบาลทั้งหมดแล้วแจกถ้นอาบน้ำให้คนละใบบอกคนไข้ว่า วันนี้เราจะมาเล่นน้ำกันอาบน้ำเล่นน้ำสาดน้ำรดน้ำกันให้สนุกสนานแล้วแจกขันน้ำให้คนไข้คนละใบวิ่งลงไปในสนามหญ้าซึ่งไม่มีน้ำเลยสักหยดคนไข้เล่นน้ำกันอย่างสนุกสนานเอาขันตักน้ำสาดกันยกใหญ่สาดกันไปสาดกันมาหัวร้อคลื้นเครง บางคนก็ถอดเสื้อออกหมอถามว่าถอดเสื้อทำไมคนไข้บอกว่าเสื้อเปียกแต่มีคนไข่อยู่คนหนึ่งถือขันน้ำยืนเกาะเสาหัวร้อขำกลิ้งอยู่กลางสนามไม่ลงไปเล่นน้ำกับเพื่อนๆด้วยความสงสัยหมอจึงเดินเข้าไปถามว่าอ้าวทำไมไม่ลงไปเล่นน้ำกับเขาล่ะหมอครับ ผมเขารกหมอผมไม่อยากขัดคำสั่งหมอจริงๆแต่ผมลงไปเล่นยางพวกเขาไม่ได้รอกหมอหันไปยิ้มกับพยาบาลข้างๆแล้วกระซิบว่าคนนี้คงกลับบ้านได้แล้วเริ่มมีสติแยกแยะอะไรได้แล้วแต่เพื่อความแน่ใจหมอขอถามอีกคำหนึ่งการที่คุณไม่ลงไปเล่นน้ำกับเขานะ่ะ คุณคิดถูกแล้วแต่คุณช่วยอธิบายเหตุผลให้หมอทราบหน่อยได้ไหมครับว่าทำไมถึงไม่ไปเล่นน้ำกับเพื่อนๆนคนหมอจะให้ผมลงไปเล่นน้ำกับเขาได้อย่างไรล่ะครับก็ผมว่ายน้ำไม่เป็นเรื่องนี้สอนว่าอยาตัดสินคนแต่การมองเห็นเราจะเข้าใจและรู้จักเขามากขึ้น ถ้าได้พูดคุยสนทนากันคุณอาจจะพบว่ากำลังพูดคุยกับคนบ้าทั้งๆ ท, ที่เขาดูดีเหลือเกินก็ได้ใครจะรู้